ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมชาดกแผ่นที่ห้าให้คติธรรมบอกว่าวายเมเทวัปุริโส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 คือเราพยายามไปจนถ้าทํ า, ทาโลกไปถ้าถึงระดับขั้นมีอันจะกินเพียงพอแต่ถึงจะไม่เป็นเศรษฐีกับเพียงพอแต่ถ้าว า, างทางธรรมมั่งทางด้านปฏิบัติทางด้านจิตใจให้ปฏิบัติจนถึงเป็นพระอริยบุคคลเป็นพาาระอรหันต์นั่นแหละคือสิ้นสุดในหลักธรรมคำสอนในจุดประสงค์หรือ ว, ว่าพุธทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ศาวนาทั้งหลาย